นม่นเห็นกายทุกข์ไปใจไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยเราฝึกให้เต็มที่นะฝึกให้ดีครับความทุกข์ทางร่างกายเพราะเราต้องเจอแน่นอนวันหนึ่งเราเจออย่างแสนสาหัสนะตายทุกรายเราต้องเจอความทุกข์เข้าสักรอบหนึ่งแหละบางคนก็มากหน่อยบางคนน้อย น, ะนอนหัวใจวายพปอะไรแต่อย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้ตายสบายขนาดนั้นมันไม่แน่ มันไม่แน่ไม่รู้ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่รู้ว่าจะทุกข์ขนาดไหนจะตายอย่างเฉียดหรือว่าตายอย่างนักปฏิบัติอยู่ที่เราฝึกของเราเองนะหลายคนเลยที่ตายได้สง่า ง, งามทำให้คนที่ไปเห็นเนี่ยนะสนใจการปฏิบัติขึ้นมานี่จะตายแล้วยังเป็นครูเขาได้อีกตายแล้วทำให้คนอื่นก็อยากปฏิบัตินี่คุณสุมเมธ์ะมาเล่าคนที่ไหนนะแม่หมอแม่ ม, ออ ม, มตายตายมีประโยชน์ ตายแล้วคนอื่นอยากปฏิบัติอีกหลายคนเนะเวลาตายไม่ทุรนทุรายนะตายด้วยความมีสติจิตใจเบิกบานร่างกายทุกข์ทรมานจิตใจเบิกบานต้องฝึกถ้า ฝ, ฝึกมากเข้ามากเข้ากว่านั้นนีกนะจิตใจยังไม่ทุกข์ด้วยเลยความทุกข์เข้ามาในกายนะจิตใจก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นทางใจก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์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 ว่ารู้ทุกะละสมูทไทแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าขยายความต่อไปอีกก็ได้นะทุกคืออะไระถ้าขยายให้เป็นสองก็เป็นทุกก็คือรูปและนามให้รู้รูปรู้นามนสมูทไทยขยายให้เป็นสองก็คืออวิชากับภาวะตัณหาถ้าแยกออกเป็นสองอวิชากับภาวะตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องละ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 แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคคนไหนแจ้งอริยมรรคได้นะแสดงว่าคนนั้นรู้ทุกขละสมุทยัยเกิดอริยมรรคคนไหนเกิดอริยมรรคได้แสดงว่ารู้ทุกขละสมุทยัยแจ้งนิโรธได้นะเวลาทํากิจของอริยรรสัจสี่เนี่ยทำอันเดียวนั่นเองแล้วก็ทําเสร็จสี่อันเลยนะทําอย่างเดียวคือรู้ทุกข์ไปนี่จะรู้ทุกข์ได้ดีนะก็ะเรียกว่าทำวิปัสสนา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 นะแค่คอยรู้สึกคอยรู้สึกไปนะจิตใจที่มีความสุขมันจะสงบของมันเองนะนี่เคล็ดลับของการทําความสงบกว่าจะได้เคล็ดลับนี้ลําบากเหมือนกันนะอตอนเด็กๆนะหายใจอยู่แป๊บเดียวเองนะไม่กี่วันหนึ่งวันสองวันหนึ่งนะจิตเดียวสงบนะเพราะตอนเด็กๆเกนี่ยไม่รู้เรื่องไปเรียนมาจากท่านพา่อรีท่านสอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งอะไรเงี้ยพูดโทรนับสองแบบนี้ ทําแบบเด็กๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหายใจเล่นๆหายใจสบายๆใจสงบเลยปุ๊บเดี๋ยวสงบสว่างนะอยากรู้อยากเห็นอยากเที่ยวตุรัดตุเลไปไหนก็ไปนะหาสาระไม่ได้เลยไปไเรื่อยๆนะชอบเที่ยวถึงจนหนึ่งเกิดกลัวว่าถ้าเที่ยวไปเราไปเจอผีจะทำไงเป็นคนกลัวผีนะขนาดลูกแมวที่บ้านตายนะตลางคืนไม่กล้านอนหลับนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันนึกลัวละเอียดละอ้อ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 ถ้าจะไม่ดีไปนอนดีกวา่าถ้าหายใจแล้วเคลิบคลิบนะทีนึงหายใจกลัวจะเคลิบ <c oughs> หายใจอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงเลย <c oughs> เหนื่อยแทบตายเลยนะอาสาระแกนศาสตร์ไม่ได้นี่เพราะไม่รู้อ่ะไม่รู้วิธีปฏิบัตินะหายใจรุนแรงอย่างนั้นนะสมถะก็ไม่ได้ไไดวิปัสสนาก็ไม่มีหายใจทรมานตัวเองนะก็ใช้ไม่ได้แตได้หลักของการทาสมถะนะ้ก็ง่ายนิดเดียวเลย สมถธานี่เราต้องไม่ตั้งใจให้สงบอย่าไปบีบจิตหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปหายใจไปแล้วรู้สึกไปนะไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับจิตนะสบายๆแป๊บเดียวก็สงบนะง่ายมากยากหรอกแล้วนะสมถธานี่วันไหนใจเราฟุง้งรู้กายรู้ใจไม่ได้นะเราก็มาทําความสงบเข้ามาแต่วันไหนจิตใจมีเรื่องมีแรงแล้วยาเอาแต่สงบนะสงบนานๆโง่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 อตายพอดีไตาวายขาดน้ำํำดู ก, กายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําไปดูใจมันคิดนึกปรุงแต่งรู้ทันมันรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตใจไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรผิดปกติของคนธรรมดาเลยดันเคยเดินยังไงก็เดินไป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 เพ่งเอาไว้ก็เป็นอตัตตากิรลมัฏฐานนิโยโญกบังคับกายบังคับใจถามว่ายัางไปเดินจงกรมย่องย่อ ง, องรู้สึกไหมมันบังคับนะบังคับทั้งกายบังคับทั้งใจพ่อของแม่ชีนะสมัยก่อนนนะหลวงพ่อก็ยังไม่บวชงั้นก็เลยเป็นพ่อตาหลวงพ่อด้วยนะวันหนึ่งนะสองตาใหญพากันไปเข้าคอร์สอะไรก็ไม่รู้รู้เหมือนกันแหละแต่ห้ามพูดสักนะพักหนึ่งนะพ่อตาหนีกลับมาบ้าน เรารีบไปเยวาวราชเลยไปซื้อโสมซื้อโสมซื้อเขาควางซื้ออะไรมาเตรียมบอกเนี่ยชวนให้เมียห น, นีกลับมาไม่ยอมหนีบอกอีเข้าใจผิดอีเข้าใจผิดนะอีไปเอ็กซเซอร์ไซส์อย่างนั้นไม่ได้อกว่าจะเดินนี่นะตั้งนานเนะี่ยนี่ยทรมานมากเลยจะทําให้กําลังตกต้องกินโสม <c oughs> <c oughs> แกคนจีนนะแก็บนึกว่าเขาไปเรียนเอ็กซเซอร์ไซส์กัน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 จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการกระทบสัมผัสนะที่ก็จำเพียนๆนะที่จำสัญญามีสองตัวนะจำได้กัหมายรู้นะฉะนั้นอะไรนิ่มๆมาถูกเราเนี่นะเราหันไปดูโอ้สาวมารูปรูปขาเราสาวมารูปขาเราอ๋อสาวรูปขาเนี่ยมันนิ่มๆแบบนี้แหละวันหนึ่งกําลังใจลอยอยู่นะมีอะไรนุ่มๆมารูปขาเรานะเราก็หมายรู้เลยนี่หมายรู้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 สังขารคือความคิดเนื้ปรุงแต่งความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆลานะเช่นปิติก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งนะความโลภความโกรธความหลงเป็นสังขารอุเบกขาเนี่เป็นสังขารศรัทนธะาวิริยะนี่เป็นสังขารที่สิง่งเหล่านี้เป็นสังขารสังขารเกิดแล้วก็ดับไปเราไม่ได้พาวนาเพื่อไปให้เกิดสังขารที่ดี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 ขึ้นจากเรือที่ท่าน้ำเมืองนนทนะขึ้นทุกวันอนะ่ะเดินผ่านหอนาฬิกามาจะไปที่ป้ายรถเมเ ด, เดินเดินเดินนะใจมันรวมปุ๊บขึ้นมานะเฮ้ยนี่ที่ไหนวะไม่รู้เลยนะไอ้คนนี้มันใครก็ไม่รู้นะบ้านมันอยู่ไหนเ็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะกลับบ้านมันจาไม่ได้เลยไม่ใช่อันไซเมอร์นะ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 จิตพระอราหันต์ไม่เที่ยงไม่ใช่จิตพระอราหันต์เที่ยงนะจิตพระอราหันต์มีสองแบบสองแบบแยกได้หลายอย่างนะหลายดิเมนชันหลายมิตนะิถ้าแยกด้วยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะจิตพระอราหันต์มีสองอย่างที่มีโสมนัสกับมีอุเบกขาจิต ท, ที่มีโสมนัสมันก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่เป็นอุเบกขาก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกัน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 ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหลนะเนาะตั้งใจไว้อย่างเดียวชา้นนี้ไม่จบชา้ิหน้าาใหม่นะตั้งใจไว้ใครจิตฟุ้งซ่านมังยกมือสีนี่ด้วยนะนี่ด้วยเนะี่ยผู้ลายปากแข็งมีหลายคนใครเพ่งมังยกมือขึ้นนะเนี่ยเพ่งผู้ลายปากแข็ง ใครรู้สึกมีความสุขยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆใครรู้สึกทุกข์ดูไปอย่างที่มันเป็นเห็นไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกทุกข์นะเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่คงที่หรอกนี่เราภาวนานะหัดดูสภาวะไปมันยากอะไระมีความสุขไม่รู้เรือ้อรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้แค่นั้นเองอ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 น้ธาตุดูยากนะเรจะเห็นธาตุเป็นรูปตัวจริงอย่างดูปฏิกูณสุภาษนะอาหารเป็นปฏิกูลดูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นสมถากรรมฐานนะรู้ลมหายใจนะสติปัฏฐานนันแรกกายานุปาาัสสนาเริ่มจากลมหายใจมนะลมหายใจอิริยาบทเลยลมหายใจเนี่ยเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ไดนะ้รู้อิริยาบทรู้ธาตุรู้อะไรพวกนี้นะ อันนี้ทํำวิปัสสนาได้ง่ายแต่รู้อิธิยาบทก็ทําสมถะได้ให้เพ่งอิิยาบทไหมนะก็ทําได้รู้ธาตุทาทเป็นสมถะได้ไหมได้ไปเพ่งธาตนะุเพ่งธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเพ่งเอานะก็สมถะเหมือนกันหมดเลงั้นดูอย่างนะเรื่องรูปเนี่ยนามนีดูง่ายใครไม่รู้จักโกรธนะรู้จักทุกคนใช่ไหมใครไม่รู้จักโลภ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 เขีเขนในกล้องมีมงเล็บงูเหลือมไหมนะคุณสันติงูเหลือมเนี่ยไปรวมมันได้สามรอยหกิบว่าคําแล้วขี้เกียจรวมต่อเลยเอาไว้แค่นี้นะคนไทยนะประณีตมากเลยความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะแค่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอ่ะให้ความรู้สึกมันเกิดนะแล้วก็รู้ไปว่าอ๋อตอนนี้ใจเราสุ k นะอตอนนี้ใจเราทุกนะใครรู้อย่างนี้นะแค่นี้แหละ